ทันเช้าแล้วท่านพระครูก็เตรียมเครื่องอัิบบริคารอันหมายถึงเครื่องใช้สอยของนักบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งมีแดอย่างได้แก่สบงจีวรสังฆติบาทมีดโกนเข็มประคตเอวกระบอกกรองน้ำและเนื่องจากเป็นการเดินทุดงท่านจึงเพิ่มกรดอีกหลังหนึ่งนอกเหนือจากเครื่องใช้แดอย่างข้างต้น ภิกษุวัย45ออกเดินทางจากวัดป่ามะม่วงเวลา9นาฬิกามุ่งหน้าสู่ภูคาอันเป็นจุดนัดหมายหลวงพ่อในป่ามาบอกในสมาธิว่าให้พบท่านที่ภูคาจังหวัดน่านสมภารวัดป่ามะม่วงออกสงสัยว่าเหตุใดท่านจึงไม่ให้มาพบที่เดิมคือใต้ต้นไทรจังหวัดขอนแก่น ซึ่งยงอดีตผู้ใหญ่บ้านเคยไปพบท่านเมื่อย0ปีก่อนท่านคงจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างเป็นแน่แต่วันคล้อยชายมาพรบภิกษุวัย45ก็มาถึงที่หมายคาถาย่นระยะทางมีประโยชน์มหาศาลท่านไม่จำเป็นต้องพึ่งยานพานะใดๆก็มาถึงได้เห็นพระในป่า นั่งขัดสมาธิหลับตาอยู่ใต้ต้นว่าจึงเข้าไปหาปลดสัมภาระออกจากบ่าวางไว้ทางด้านขวามือแล้วคุกเขา่ากราบเป็นจังฆาประดิษฐ์สามครั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอรับกระผมพระครูเจริญมาตามสัญญาแล้วขอรับ ภิกษุวัยกลางคนกล่าววาจาอันแสดงถึงความเคารพนอบนอบพระในป่าลืมตามองผู้มาใหม่ด้วยสายตาชื่นชมแล้วกล่าววา่ายินดีต้อนรับเป็นอย่างไรบ้างเดินทางลำบากไหมสียงที่พูดกัางวานหน้าฟังไม่ลำบากขอรับกระผม มาเรื่อยๆเหนื่อยก็หยุดพักไม่ได้ชันเพลนแต่ก็ไม่รู้สึกหิวพระเดชพระคุณอยู่ที่นี่สบายดียหรือขอรับเธอใช้คาถาย่นระยะทางแล้วทําไมพูดว่ามาเรื่อยๆเหนื่อยก็หยุดพักทั้งที่ไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ได้หยุดพักหลุงพ่อในป่าทวงติ่ง กรอนมันพาไปนะขอรับกระผมต้องขอประทานโทษที่พูดเกินความจริงพูดกับเราธรรมดาธรรมดาเถอะเราเป็นพระในป่าไม่มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรเรียกเราว่าหลวงพ่อเฉยๆก็ได้หรือจะเรียกว่าหลวงพ่อดำเหมือนที่ใครๆเขาเรียกก็ตามใจ ลุงพ่อชื่อดำหรือครับลุงพ่อบวชมากี่พรรษาแล้วมีฉายาว่าอะไรส่วนฉายาผมทิตะธรรมโมครับลุงพ่อในป่าตอบว่านามและฉายาเป็นเรื่องของสมมุติปัญญัติเราละสิ่งเหล่านี้ได้แล้วที่ให้เธอเรียกเราว่าหลุงพ่อดำก็ไม่ได้หมายความว่าเราชื่อดำ เพียงแต่ได้ยินใครๆเขาเรียกเราอย่างนี้ก็คิดว่าเธอจะได้เรียกตามเขาบ้างส่วนที่ถามว่าเราบวชมากี่พรรษานั้นก็ไม่จำเป็นต้องตอบเอาเป็นว่าเราเคยให้กรรมฐานสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็แล้วกันพระองค์ทรงเป็นบุคคลแรกที่เราให้กรรมฐานและบุคคลที่สองที่เราให้ ก็คือเธอเพราะเรารู้ว่าเมื่อเธออายุ45ปีจะตอบปัญหาได้จึงได้บอกเธอไปว่าอายุ45ปีค่อยพบกันบัดนี้ผมตอบได้และเดินทางมาพบหลวงพ่อแล้วครับตั้งแต่รับกรรมฐานจากหลวงพ่อในครั้งนั้น ผมก็ได้พบอาจารย์กรรมฐานที่มีชื่อเสียงดังที่หลวงพ่อทำนายไปปฏิบัติอยู่ที่สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดมหาธาตุอยู่หลายเดือนกว่าจะบรรลุญาณ16จากนั้นจึงกลับมาปฏิบัติต่อที่วัดพรมบุรีที่ผมจาพรรษาอยู่ก่อนย้ายมาวัดป่ามะม่วงปฏิบัติอยู่10บปีจึงตอบปริศนาธรรมของหลวงพ่อได้ มาได้ตอนกําลังยืนหนอนี่เองผมจึงจดบันทึกไว้เป็นตำราว่าถ้าใครทํายืนหนอได้ก็จะตอบปัญหาได้เพราะทาได้แล้วจึงรู้ว่าง่ายมากใช่ไหมนี่แหละเขาเรียกว่าหญ้าปากคอกบางคนปฏิบัติมาเป็นยี่สิบสสิปียังทํายืนหนอไม่ได้ เราถึงต้องเลือกคนที่เราจะให้กรรมฐานอย่างไรละ่ะไม่ใช่ให้สุม 4, สีุ่มห้าต้องดูหน้าก่อนว่าเขารับได้ไหมรับแล้วจะเอาไปทิ้งหรือเปล่าเพราะเหตุนี้จึงได้ให้ไปเพียงสองรายเท่านั้นแล้วจะมีรายที่สามอีกไหมครับภิกษุวัยส5ใสห้าครรู้ มีแน่นอนอีกเจ็ดปีข้างหน้าเราจะให้กรรมฐานเป็นรายที่สามส่วนรายที่สี่คงไม่มีท่านชิงตอบก่อนที่จะถูกถามเรื่องรายที่สี่เพราะอะไรหรือครับหรือว่าหลวงพ่อจะจะละสังขารไม่มีคำตอบจากหลวงพ่อดำสมพานวัดป่ามะม่วงจึงเข้าใจเอาเองว่า ท่านคงจะละสังขารหลังจากให้กรรมฐานแก่สิทธิ์ครบสามรายแล้วเงียบกันไปครู่หนึ่งภิกษุผู้เป็นลูกศิษย์ก็พูดขึ้นว่าห<อ>ลวงพ่อให้กรรมฐานสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีแสดง ว, ว่าหลวงพ่อต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า300รปีเป็นไปได้หรือครับที่คนจะมีอายุยืนยาวถึงป่านนี้ เท่าที่ผมเคยเห็นอย่างมากก็ไม่เกินร้อยยี่สิบปีเพิ่งจะมีหลวงพ่อที่อายุยืนยาวมากอยู่มาได้ถึงสิบรัชกาล<ม>เธอไม่เชื่อกระนั้นหรือมผมยอมรับว่าไม่อยากจะเชื่อหากก็ต้องเชื่อเพราะจำนวนตอนหลักฐานเมื่อยี่สิบปีก่อนที่ผมพบหลวงพ่อครั้งแรกหลวงพ่อก็รูปร่างหน้าตาอย่างนี้ ผมดำสนิทไม่มีหอกแม้เส้นเดียวยี่สิบปีผ่านไปผมอายุสี่สิบห้าและรู้ตัวว่าแก่ลงไปมากแต่หลวงพ่อก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างยิ่งเมื่อนึกถึงคำบอกเล่าของโยมอดีตผู้ใหญ่บ้านคนที่พาผมไปพบหลวงพ่อที่ใต้ต้นไทรจังหวัดขอนแก่นผมก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้น โยงคนนั้นเขาบอกกับเธอว่าอย่างไรหรือเขาบอกว่าสมัยที่เขาเป็นเด็กเลี้ยงควายอายุ8ปดเกขวบหลวงพ่อก็ดูอายุเท่านี้รูปร่างหน้าตาอย่างนี้กระทั่งเขาอายุแปดหลวงพ่อก็ยังเหมือนเดิมพูดถึงโยงคนนี้ไม่ทราบว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับ ตายไปหลายปีแล้วถ้ายังอยู่อายุก็ร้อยห้าปีเข้าปีนี้เป็นอะไรตายครับไม่หายใจแล้วก็ไม่กินข้าวถ้าหายใจเข้าไว้แล้วก็กินข้าวเข้าไว้รับรองว่าไม่ตายคำตอบเจอด้วยรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าทําให้ท่านพระครูรู้สึกผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางพลันมาลายหายไปสิน้น ถ้าเช่นนั้นผมก่อนนิมนต์หลวงพ่อหายใจและฉันข้าวต่อไปอีกนานๆนะครับความเป็นกันเองของหลวงพ่อในป่าทำให้ท่านพระครูรู้สึกเหมือนกำลังสนทนากับญาติผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยกันมานานหลวงพ่อรูปนี้มีอะไรที่ผิดแผกไปจากมนุษย์ธรรมดาอายุท่านคงอยู่ในราวส0 0รปีหากก็ดูเหมือนคนอายุเจ็ดสิบ ผมบนสีษะซึ่งยาวประมาณครึ่งกระเบียดนั้นไม่มีงอกแม้แต่เส้นเดียวท่านเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเทพแปลงมานอด้วยความพิศวงสงสัยจึงถามขึ้นว่าทำไมหลวงพ่อจึงดูไม่แก่ครับหรือว่าหลวงพ่อฉันยาอายุวัฒนะหลวงพ่อมียาอายุวัฒนะใช่หรือเปล่าครับ เราไม่เคยฉันยาอายุวัฒนะแต่เราก็รู้วิธีปรุงยาที่กินแล้วอายุยืนและใช้รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดได้ด้วยเธอน่าจะนำไปปรุงฉันเองและบอกญาติโยมที่เขาต้องการกินยาอายุวัฒนะเราได้ตำรายานี้มาจากสมเด็จพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทยัยอยากได้ไ้ยล่ะอยากครับ หลวงพ่อกรุณาบอกผมด้วยเธอครับว่าปรุงอย่างไรท่านจัดการหยิบสมุดและดินสอออกมาจากย่ามสองสิ่งนี้จะขาดไม่ได้เพราะท่านมีคติประจำใจว่าสิ่งใดงามอย่าได้งดขอให้หมั่นจดมันจำเห็นลูกศิษย์มีความตั้งใจจริงหลวงพ่อดำจึงบอกวิธีปรุงยาอายุวัฒนะ พร้อมแล้วก็จดได้เลยยาขนาด น, นี้ปรุงง่ายใช้เครื่องปรุงเพียงสามอย่างได้แก่เกลือสามมะขามเจ็ดบอระเพ็ดห้าคือเกลือเม็ดสามถ้วยตวงมะขามเปียกแก ะ, มะเมล็ดออกหั่นเป็นชิ้นเล็กเล็กเจ็ดถ้วยตวงบอระเพ็ดหั่นบางๆางชิ้นเล็กเล็กห้าถ้วยตวง แล้วก็หาครกหินมาใบหนึ่งโคลกเกลือกับบอระเพ็ดให้ละเอียดก่อนแล้วจึงใส่มะขามที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ล, ลงไปโคลกรวมกันจนละเอียดผสมน้ำผึ้งแท้พอปั้นได้แล้วเก็บใส่โถไว้กินเวลาจะกินให้ปั้นเป็นก้อนโตโตหนึ่งก้อนกินก่อนอาหารเช้าเย็นเศกด้วย อิติปิโสขณะปรุงยาก็ให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปด้วยยานี้มีสรรพคุณแก้โรคมะเร็งเม็ดเลือดได้ชะ ง, งัดนักห้ามใช้เครื่องปั่นนะต้องใช้ครกหินในอนาคตคนจะเครียดและเป็นมะเร็งกันมากยานี้จะแก้ได้ คนที่กินเป็นยาอายุวัฒนะก็จะทำให้อายุยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหลวงพ่อบอกว่าไม่เคยฉันยาอายุวัฒนะแล้วทำไมหลวงพ่ออายุยืนแล้วก็ไม่แก่ด้วยหรือว่าหลวงพ่อมียาขนานอื่นเราไม่เคยฉันยาขนานใดแต่ที่เราอายุยืนและไม่แก่ เราผ่านการปฏิบัติมามากจนสามารถอยู่เหนือความเกิดแก่เจ็บตายตั้งหากละหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์พูดเหมือนอุทานออกมาแต่แรกท่านเพียงสงสัยว่าหลวงพ่อองค์นี้คงสมเร็จเป็นพระอรหันต์หากมาัตรนี้ ท่านมั่นใจเต็มร้อยว่าหลวงพ่อในป่าต้องเป็นพระอรหันต์เธอยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์แล้วเหตุใดจึงมาพยากรว่าผู้อื่นเป็นนั่นไม่ใช่วิสัยของสากกยบุตรพุทธโอรสเลยผมเพียงแต่คาดคะเนเอาเท่านั้นเองครับหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วย เมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรุรีผมอยากรู้เรื่องของพระองค์ท่านประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าพระองค์ท่านถูกสำเร็จโทษ ด, ด้วยท่อนจันทร์ผมไม่อยากจะเชื่อไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์เอาเถอะและวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรกันแน่ขอให้เธอหมั่นอธิษฐานจิต ถึงพระองค์ท่านอย่างสม่ำเสมอแล้วพระองค์ท่านจะทรงมาชี้แจงกับเธอว่าอะไรเป็นอะไรให้เธอรู้จักพระองค์ท่านดีกว่ารู้จักเราแต่จะบอกให้รู้สักอย่างหนึ่งว่าทรงสำเร็จอรหัตผลเป็นพระอรหันต์แล้วเธอจะสื่อสารกับพระองค์ได้โดยทางจิตเท่านั้น ค่อยคาของหลวงพ่อดำทำให้ท่านพระครูรู้ชัดว่าภิกษุรัตตัญญูองค์นี้เป็นพระอรหันต์หากไม่ใช่ไหนเลยจะพยากรอรหัตผลในบุคคลอื่นได้รู้สึกปิติที่ได้มาพบครูบาอาจารย์ผู้จะนำทางท่านไปสู่จุดหมายของชีวิตหลวงพ่อครับหากผมพิสูจน์ได้ว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีไม่ได้ถูกสําเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ผมจะไปขออนุญาตจากหอสมุดแห่งชาติเปลี่ยนประวัติศาสตร์ซียใหม่ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะผมไม่อยากให้อนุชนรุ่นหลังเรียนสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างเรื่องค่ายบางระจันก็บันทึกไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริง เธอรู้ได้อย่างไรเพราะผมระลึกชาติแต่หนหลังได้ครับผมเคยเจริญชาญมาก่อนต่อมามีโยมผู้หญิงคนหนึ่งเขาอ้างว่าเคยเป็นแม่ของผมเมื่อชาติที่แล้วผมไม่เชื่อเพราะเธออายุน้อยกว่าผมจะมาเป็นแม่ผมได้อย่างไรเธอก็ยืนยันว่าเธอพูดเรื่องจริง และยังบอกอีกว่าในชาตินั้นผมเป็นแม่ทัพแห่งกรุงศรีอยุธยาผมต้องการพิสูจน์ว่าสิ่งที่เธอพูดมานั้นจริงหรือเท็จเมื่อกลับถึงวัดผมจึงเข้าฌานตั้งแต่ปฐมฌมานเรื่อยไปจนถึงจตุตถฌานออกจากจตุตถฌานแล้วผมก็นน้อมจิตไปให้ได้อภินยา และแล้วปุเพนิวาสานุสติญาณก็บังเกิดขึ้นผมสามารถระลึกชาติแต่หนหลังได้ถึงเจ็ดชาติแม้จะเป็นเพียงทุลีดินเมื่อเทียบกับปุเพนิวาสานุสติญาณของพระพุทธองค์หากก็ทำให้ผมได้รู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีจริง สัพพสัตถ์พากันเวียนไหววกวนอยู่ในสงสารสาครก็เพราะกรรมผมจึงตั้งปณิธานไว้ว่าจะต้องวหว้ข้ามสงสารสาครนนี้ให้ได้ผมจะต้องถึงฝั่งคือพระนิพพานให้ได้พูดด้วยความมุ่งมัน่นเธอจะถึงฝั่งอย่างแน่นอน การออกธุดดงในครั้งนี้จะช่วยให้เธอว่ายเข้าใกล้ฝั่งมากที่สุดว่าแต่เธอพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นแม่เธอพิสูจน์ได้ครับเธอเป็นแม่ผมจริงและผมก็ได้ให้ความช่วยเหลือไปในสิ่งที่พอจะช่วยได้แต่กรรมของเธอยังไม่สิ้นสุด เพราะจะต้องชดใช้กรรมที่ทำไว้กับบ่าวเมื่อชาติที่แล้วซึ่งในชาตินี้คือสามีของเธอผมคงจะต้องช่วยเธออีกเพื่อตอบแทนบุญคุณที่เคยเป็นแม่ลูกกันมาเป็นอันว่าชาติที่แล้วเธอเป็นแม่ทับครับหลวงพ่อ และผมก็รู้เรื่องค่ายบางระ จ, จันว่าที่ช น, นะพะม่าเพราะฝีมือผู้หญิงแต่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าเพราะพวกผู้ชายเอาความดีไปให้ผู้ชายทั้งที่พวกผู้ชายพากันเมาเละเลยที่ไม่เมาเห็นจะมีแต่พระอาจารย์ธรรมโชติเท่านั้นคนเมาขาดสติ จะสู้รบตบมือกับใครได้ถ้าพวกผู้หญิงไม่ช่วยไว้รับรองถูกทหารฆ่าตัดหัวทิ้งหมดแล้วผมเป็นคนยุติธรรมไม่เข้าข้างผู้ชายด้วยกันหรอกครับใครผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าโถูกทำไม ผู้หญิงบางระจันถึงเก่งกาจขนาดนั้นอยูย่ๆก็ลุกขึ้นสู้กับพม่ายอย่างนั้นหรือหลวงพ่อดำอยากทราบเหตุผลหลวงพ่อเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าผู้หญิงมีมารยาร้อยเล่มเกวียนไหมครับผู้หญิงเป็นเพศอ่อนแอไม่แข็งแรงเหมือนผู้ชายถ้ารบกันซึ่งซึ่งหน้า ก็ต้องแพ้แต่ผู้หญิงชนะเพราะใช้มานยาโดยมีคุณหญิงปล้องเป็นต้นคิดคุณหญิงปล้องเป็นพัญญาภรยาวิเศษชัยทานพอรู้ว่าสามีถูกพม่าฆ่าตายก็โกรธแค้นรวบรวมพวกผู้หญิงไปสู้กับพม่าโดยใช้มานยาเป็นอาวุธสำคัญพวกผู้หญิง เขาพากันห่มผ้าตะเบงมานให้ดูธรรมัดําแมงแต่ซ่อนอาวุธไว้ที่ชายพกผู้หญิงสมัยนั้นเขานุ่งผ้าโจงกระเบนครับหลวงพ่อพวกศัตรูจึงดูไม่ออกว่ามีอาวุธซ่อนอยู่ในผ้าท่านหยุดเล่าโดยไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อดำยังสนใจที่จะฟังต่อหรือไม่ เล่าต่อสิหยุดเสดทำใหม่กำลังฟังเพลินๆหลวงพ่อในป่าพูดขึ้นท่านพระครูจึงเล่าต่อครับคุณหญิงปล้องจึงนำพวกผู้หญิงจากวิเศษชัยชาญมายังค่ายบางรัจันระหว่างทางก็ชักชวนพวกสาวๆมาด้วยพอมาถึงค่ายบางรจันก็ตรงไปที่ค่าย พวกทหารพรม่าพอเห็นผู้หญิงก็ตาลุกเหมือนพวกสมผานแก่วัดบวชมานานพอเห็นสีกงสีกาก็ทำท่าอยากจะฟัดอย่างนั้นแหละคราวนี้หลวงพ่อดำถึงกับหัวเราะหึ่เพราะขำในคำพูดของท่านพระครูเธอนี่ช่างสรรหาเรื่องขำขำมาเล่านะเราอยู่ป่ามานาน ได้ฟังเรื่องสนุกสนุกรู้สึกมีชีวิตทีวาขึ้นหลวงพ่อเป็นพระอรหันยังชอบเรื่องสนุกสนุกมีชีวิตทีวาอีกหรือครับท่านถามในใจโดยคิดว่าพระอรหันต้องมีชีวิตที่เคร่งครัดและเคร่งเครียดไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางโลกแต่ถึงจะถามในใจหากหลวงพ่อดำก็ตอบนอกใจว่า ที่เธอถามอย่างนั้นแสดงว่ายังไม่เข้าใจธรรมชาติของพระอรหันต์แต่ไม่เป็นไรเมื่อเธอเป็นพระอรหันต์ก็จะรู้เองเล่าเรื่องคุณหญิงปล้องต่อเถอกำลังสนุกท่านพระครูจึงเล่าต่อคุณหญิงปล้องก็ให้พวกสาวๆใช้มันยาหญิงเข้าไปเอาอกเอาใจทหารพรม่า แล้วก็มอมเล่าด้วยแต่ก็ต้องทำให้แนบเนียนไม่ให้ศัตรูสงสัยเลยชวนกันร้องราทำเพลงก็เกิดเพลงอีแซวขึ้นเพลงอีแซวก็คือพวกผู้หญิงพากันร้องเพลงแซวพมา่าร้องเพลงไปป้อนเล่าไปไม่ช้าพวกทหารพม่าก็เมาแอรไปตำตๆกัน คุณหญิงปล้องจึงส่งสัญญาณให้พวกสาวๆนำอาวุธที่ซ่อนไว้ชายพกออกมาประหัดประหารพ ม, มา่าพวกพ ม, มา่าซึ่งกำลังเมามายไม่ได้สติก็ไม่มีทางสู้ถูกคุณหญิงปล้องและพักพวกฆ่าตายเป็นเบื่อเลยค่ายบางระ จ, จันก็ชนะพ ม, มา่าด้วยประการชนี้ แต่พอบันทึกในประวัติศาสตร์กลับเอาความดีไปให้พวกผู้ชายซึ่งผมว่าไม่ยุติธรรมเลยผมจะต้องไปขอแก้ประวัติศาสตร์สักวันหนึ่งแก้ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงรอให้พิสูจน์เรื่องสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้เสกก่อนอเธอจะได้ทำแน่นอน แต่ทำแล้วจะสำเร็จหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเอาละเมื่อถึงเวลาก็จะรู้เองครับผมจะรอจนกว่าเวลานั้นจะมาถึงท่านหยุดเล่าไปประเดี๋ยวหนึ่งแล้วจึงพูดขึ้นว่าเล่านี่ไม่ดีเลยนะครับหลวงพ่อผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนถึงชอบดื่มกันนัก จริงอยู่เหล้าอาจจะมีคุณบ้างตรงที่ดื่มแล้วทำให้คลายทุกข์แต่โทษของมันนั้นมหาศาลเพราะทำให้ขาดสติพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าคนที่ขาดสติก็คือคนที่ตายแล้วผมไม่ชอบคนดื่มเหล้าเลยแล้วก็เชื่อว่าคนดื่มเหล้าเป็นคนไม่ดีคนดีต้องไม่ดื่ม ผมมีความเชื่อว่าค่ายบางระจันต้องพ่ายแพ้แก่พม่าในตอนหลังก็เพราะเล่าเป็นเหตุเพราะเมื่อทางค่ายขอกองทัพไปทางกรุงศรีอยุธยาพระราชาสมัยนั้นก็ไม่นำพาเพราะทรงบมกมุ่นอยู่กับสุรานารีคนบางระจันขาดขวัญและกำลังใจพวกผู้ชาย ก็แก้ปัญหาด้วยการดื่มเหล้าจนเมามายจนในที่สุดต้องพ่ายแพ้แก่พม่าไปอย่างน่าเสียดายที่แพ้ไม่ใช่เพราะไม่มีฝีมือแต่แพ้เพราะขาดสติในอนาคตคนจะพากันติดเหล้ามากขึ้นทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วพวกเขาก็จะพากันขาดสติ และเมิดศีลได้ทุกข้อบ้านเมืองจะประสบปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองคนที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขก็คือคนที่หันหน้าเข้ามาหาร่มธรรมเท่านั้นวัดของเธอจะมีประชาชนเข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นหมืน่นเป็นแสนเธอจะเป็นที่พึ่งให้แก่พวกเขาได้การที่เธอออกทุดงในครั้งนี้ จะช่วยชาติได้มหาศาลผมก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นครับหลวงพ่อแต่ผมมีข้อข้องใจอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าทำไมหลวงพ่อจึงไม่นัดให้ผมไปพบที่ใต้ต้นไทรจังหวัดขอนแก่นทำไมจึงให้มาพบที่นี่หลวงพ่อมีเหตุผลอะไรหรือครับเพราะที่ขอนแก่น ไม่มีต้นไทรให้เราไปนั่งเขาสร้างเขือนอวบนรัดขึ้นบริเวณนั้นจึงถูกน้ำท่วมหมดแล้วแม้ว่าต้นไทรจะยังอยู่แต่ก็อยู่ในน้ำเราคงไม่สะดวกที่จะนั่งสนทนากับเธอในน้ำอย่างนั้นหรือครับผมก็ทราบมาเหมือนกันว่ามีการสร้างเขื่อนขึ้นแต่ไม่ทราบว่าเป็นบริเวณนั้น ผมก็คงไม่สะดวกเช่นกันถ้าจะให้พบกับหลวงพ่อในน้ำภิกษุวัย45พูดยิ้มยิ้ม